ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีจันดะกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันดากาลีโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกคืนพระพุทธบอกคืนพระธรรมบอกคืนพระสงฆ์บอกคืนสิกขาในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่เจ็ดนั้น